วันที่สิบห้าสิงหาคมที่จะถึงนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านพระครูพระมหาบุญเล่าให้พระบูฮยวฟังว่าในวันนั้นบรรดาสิทธิยานุสิ์ผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาและเคารพนับถือในท่านพระครูจะแสดงมุทิตาจิตด้วยการทำบุญถวายพัฒหารแด่พระภิกษุสามนเณรตลอดจนแม่ชีและเลี้ยงอาหารผู้ที่มาปฏิบัติกรรมฐานณวัดป่ามะม่วง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 แล้วทุกปีที่ผ่า น, านมาลุงผีถวายอะไรเป็นของขวัญวันเกิดท่านครับภิกษุวัยยีถามผมไม่ได้ถวายเป็นการส่วนตัวหากถวายในนามพระทั้งวัดพระมหาบุญตอบไม่ตรงประเด็นนะคือผมอยากทราบว่าลุงผีถวายอะไรมากกว่าที่จะอยากทราบว่าลุงผีถวายในนามของใครนะครับผู้อ่อนวัยกว่าท้วงอย่างสุภาพ แล้วคุณคิดว่าพวกผมถวายอะไรท่านละ่ะอย่าให้ผมคิดเลยครับเพราะผมมักจะคิดอะไรไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาคนบวชได้เก้าเดือนว่าก็หัดคิดให้เหมือนสิคุณหัดบ่อยๆอีกหน่อยก็เก่งไปเองคงจะไม่หัดหรอกครับเพราะใจจริงแล้วผมก็ไม่อยากจะเหมือนชาวบ้านเขาก็เป็นพระนี่ครับจะให้เหมือนชาวบ้านได้ยังไงภิกษุ เชื้อสายยวนว่างั้นมาถามผมทาไมพระมหาบุญชักถิวผมอยากรู้น่ะสิครับเพราะหากผมรู้ว่าคนอื่นๆเข้าถวายอะไรผมจะได้ไม่ถวายซ้ากับเขาอย่าไปคิดอย่างนั้นเลยคุณอย่าไปคิดว่าจะไปซ้ํากับคนอื่นหรือไม่สิ่งที่คุณควรจะคิดก็คือคุณจะต้องรู้ก่อนว่าลวงพ่อท่านเป็นใครแล้วคุณ ก็จะได้ถวายสิ่งที่คู่ควรกับท่านแล้วลุงพ่อท่านเป็นใครล่ะครับพระบูฮิเอลถามซื่อหากพระมหาบุญลงความเห็นว่าท่านเซอร์อะไรกันคุณอยู่ที่นี่มาตั้งเกือบปีแล้วยังไม่รู้หรือว่าลุงพ่อท่านเป็นใครแล้วลุงผี่รู้หรือเปล่าครับแทนคำตอบพระบูฮิเอลกลับย้อนถามทำไมผมจะไม่รู้ กรุณาบอกผมอาบุญเถอะครับตกลงผมจะบอกให้อาบุญฟังให้ดีนะครับผมกําลังตั้งใจฟังตั้งใจงอย่างเดียวไม่พอหรอกนักคุณถ้าจะให้ดีต้องกําหนดฟังหนอด้วยพระโบเฮียรจึงกําหนดฟังหนอตามคําแนะนําของพระมหาบุญผู้ซึ่งเฉลยว่าหลุงพ่อท่านเป็นพระสงฆ์เพราะฉะนั้นคุณคิดว่าอะไรเล่า ที่จะคู่ควรกับพระสงฆ์คนฟังถูกถามอีกพระสงฆ์หรือครับเอพระสงฆ์คู่ควรกับอะไรเนาภิกษุหนุ่มมีท่าทีครุ่นคิดคิดอยู่ค่อนข้างนานจึงตอบรู้แล้วนึกออกแล้วพระสงฆ์ก็ต้องคู่กับสีกาใช่ไหมครับหลวงพี่แต่เอถ้าผมถวายสีกาล่วมพอก็ต้องอาบัตนะสิครับแล้วอีกอย่าง น้ำหน่ายอย่างผมจะไปหาศีกาที่ไหนมาถวายท่านพระบวัวเหียวยั่วเลอะเทอะใหญ่แล้วคุณบวัวเหียวทาดไม่ปกติหรื อ, อยังไงหรือว่านอนไม่เต็มอิ่มผู้อาวุโสกว่าทักทวงเพราะทนฟังไม่ไหวไม่ใช่ทั้งสองอย่างครับเอาละเอาละ่ะผมจะเฉลยให้คุณฟังเดี๋ยวนี้จะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวฟังนะลุงพีอย่าเล่นแบบลุงผอสิครับเล่นแบบยังไง ลุงผีพูดว่าเอาละเอาละนะครับคำคำนี้ลุงผอทันผูกขาดพระบูเหียวพาออกนอกเรื่องจนได้นี่คุณบูเหียวผมชักจะหมดความอดทนแล้วนะหมดก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้นี่ครับเอ๊ะนี่ลุงผีกโกรธผมหรืออย่านะครับเขาพูดกันว่ากโกรธคืองโง่โมโหคือบ้าฉะนั้นจึงไม่ควรกโรกรธกาหนดสิครับลุงผีกโกรธเนาะ รนพระมหาบุญเกิดความรู้สึกว่าไม่สามารถทนพูดคุยกับพระบเิเยวต่อไปได้จึงลุกขึ้นเตรียมตัวกลับกุฏิของท่านอา้าวลุงผีจะไปแล้วหรือครับยังพูดกันไม่ทันรู้เรื่องเลยเพราะอย่างนั้นนะสิผมถึงจะกลับผมจะจำใส่ใจไว้ว่าหากจะพูดกับใครก็ต้องดูคนที่พอจะพูดกันรู้เรื่องจะได้ไม่เสียเวลาและอารมณ์ ท่านประชดงั้นผมเลิกยู่หลงผีแล้วจะได้พูดกันรู้เรื่องให้ผมแก่ตัวอีกครั้งนะครับคนชอบยั่วยอมจำนวนก็ได้ผมจะให้โอกาสคุณอีกครั้งครั้งเดียวเท่านั้นนะเพราะผมเสียเวลามาม า, มากแล้วครับพ้อมให้สัญญาลงผีตอบผมหน่อยสิครับว่าอะไรที่คูควรกับพระสงฆ์ก็ดอกไม้ยังไงล่ะคุณไม่เห็นรอกหรือเวลาที่เราบูชาพระรัตนตรัย เราจะใช้ถูกเทียนและดอกไม้เป็นสั ญ, ญลักษณ์แทนพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ถึงแม่สิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องสมมุติหากก็เป็นการสมมุติที่มีเหตุผลจากการอ่านคัมภีร์ทำให้ผมทราบว่าในครั้งพุทธกาลเขานิยมใช้ดอกไม้และของหอมเป็นเครื่องสักการะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเช่นพระจุลทเถระ ผู้เป็นน้องชายของพระสารีบุตรเมื่อท่านจะเข้าเฝ้าพระตถาคตก็จะสั่งช่างให้นำดอกไม้สดมาประดิษฐ์ตกแต่งอย่างสวยงามคลุมด้วยตาข่ายที่บรรจงร้อยด้วยดอกมะลิจากนั้นจึงนำไปถวายองค์สมเด็จพระบรมโลกระเช็ดขอประทานโทษนะครับลงุงผี่คือผมอยากทราบว่าองค์สมเด็จพระบรมโลกะเช็หมายถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับถูกแล้วพระพุทธเจ้า ทรงมีหลายพระนามเช่นพระสมณะโคดมพระบร ม, มโลกเชตพระชินศรีพระผู้พิชิตมารพระสัพพันยูพระตถาคตผมจำได้ไม่หมดหรอกถ้าคุณอยากรู้วันหลังผมจะหาหนังสือมาให้ขอบคุณครับนิมนเล่าเรื่องพระจุนทะเทระต่อเธอครับตกลงเล่าต่อก็ได้คืออยู่มาวันหนึ่งท่านก็นำดอกไม้ของหอม ซึ่งตกแต่งแล้วอย่างประณีตสวยงามมถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงตรัสบุพกรรมซึ่งหมายถึงการกระทําแต่ครั้งอดีตของพระจุลธเถระในถ้ากลางที่ประชุมสงฆ์ว่าพระจุลธเถระมิใช่จะถวายดอกไม้ของหอมแต่พระพุทธเจ้าเฉพาะในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้นในอดีตชาติท่านก็ได้เคยถวายดอกไม้ของหอม แต่พระพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆมาแล้วอานิสงแห่งการกระทํานั้นๆทำให้ท่านได้สวรรค์สมบัติ74ชาติเป็นพระราชาสามร้อยชาติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ75สหชาติจากนั้นจึงมาเป็นพระจุนธะเถระแต่อานิสงที่ถวายดอกไม้แด่พระพุทธเจ้าในชาติที่เป็นพระจุนทาเถระคงจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับ เพราะท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วคงไม่ต้องการสวรรค์สมบัติอีกแม้คุยกันมาตั้งนานคุณเพิ่งจะมาแสดงความฉลาดปราดเปรึงตอนนี้นี่เองผมนึกว่าคุณไม่มีสิ่งนี้อยู่ในตัวซะอีกพระบูเหียวไม่ทราบชัดว่าถูกชมหรือถูกตำหนิกันแน่จึงถามที่ผมพูดมานี้ถูกหรือเปล่าครับถูกสิผมถึงว่าคุณฉลาดไงจริงอยที่คุณว่า เมื่อพระจุนทะเถวะท่านได้โลกุตระสมบัติเสร็จแล้วโลกิยะสมบัติก็หมดความหมายเปรียบเหมือนซากสัตว์เน่าเหม็นย่อมเป็นอาหารอันโอชะของนกแรง้งหากเป็นสิ่งที่น่าเสีสเยดสีนสำหรับพญาหงพระมหาบุญเปรียบเทียบไม่ตรงประเด็นนะักหากพระบหุหยวผู้ซึ่งแน่ใจแล้วว่าท่านชมจึงชมตอบว่าโอ้โหลุงผีกัคารมคมคายไม่เบาเหมือนกัน ตกลงคุณตัดสินใจได้หรื อ, อยังว่าจะถวายอะไรเป็นของขวัญวันเกิดหลวงพ่อท่านคอนถูกชมรู้สึกเขินจึงวกกลับมาพูดเรื่องเดิมได้แล้วครับผมก็ต้องถวายดอกไม้สิครับแต่จะเป็นดอกอะไรนั่นต้องข้ออกไว้ก่อนรับรองว่าไม่ใช่ดอกมะลิแน่เพราะผมไม่ชอบทำอะไรเมื่อนคนอื่นดีแล้วหรอกคุณแต่ก็หวังว่าคุณคงไม่อุตริเอาดอกอุตพิดมาถวายท่านนะต้องบอกไว้ก่อน เพราะคุณมักจะทำอะไรแผลงๆอยู่เรื่อยรับรองครับโทษใครจะไปทำหนอกเสียจากว่าสติฝันเฟือนถ้าอย่างนั้นผมก็ขออนุโมทนาลุ่งหน้าลุงพ่อท่านเคร่งนะไม่เคยติดในลาบสักการะอันจะทำให้เสียความเป็นผู้ทรงศีลเวลาที่ท่านได้รับนิมนต์ไปงานวันเกิดพระด้วยกันท่านก็มักจะนำแจกันดอกไม้สดไปถวายในทัศนะของผมเห็นว่าดอกไม้สด ทำให้เกิดความรู้สึกสดชื่นและยังเป็นอุปกรณ์สอนไตรลักษณ์ได้อีกด้วยผมไม่เข้าใจครับลุงผีกรุณาขยายความหน่อยเถอะครับก็แสดงให้เห็นความไม่เที่ยงทนอยู่ได้และปราศ จ, จากตัวตนที่เที่ยงแท้อย่างที่พูดกันจนติดปากว่า อ, อนิจจังทุกขังอนัตตานั่นยังไงอ๋องั้นผมก็เข้าใจแล้วล่ะครับคือดอกไม้เมื่อมันยังสดก็ดูสวยงาม ครั้นเหีวเฉาโรยราก็หาความสวยงามไม่ได้เหมือนบุรุษและสตรีเมื่ออยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวก็ดูสดชื่นเปล่งปลงั่งครั้นพอแก่เท่าก็เหี่ยวเฉาดุจเดียวกับดอกไม้แสดงให้เห็นความไม่ที่ยงแท้ของสังขารเพราะฉะนั้นบุคคลจึงไม่ควรยึดติดถือมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอย่างนั้นใช่ไหมครับก็คงใช่เอาเถอะคุยกันนานแล้วผมเห็นจะต้องกลับไปปฏิบัติที่กุติของผมละ พระมหาบุญกลับไปแล้วพระโบฮีเยวจึงเริ่มปฏิบัติบ้บางวันอาทิตย์แรมสิบค่ำเดือน8ปดเวลาประมาณย2่สบสองนาฬิกาขณะที่นายสมชายกำลังไขกุญแจประตูด้านหลังของกุฏิก็ดินเสียงเรียกชื่อเขาสมชายใช่ไหมหลวงพ่ออยู่หรือเปล่าเมื่อชายหนุ่มเหลี้ยวหลังไปดูก็พบว่าเป็นขหาบดีมากับพญายาและบุตรชายทั้งสามแต่ละคน สมชุดขาวราวกับจะมาเข้ากรรมฐานเขายกมือไหว้สองสามีพัญญาขณะที่เด็กหนุ่มสามคนยกมือไหว้เขาทำไมมาซะดึกเลยเชครับชายหนุ่มถามมาแต่วันเกรงจะไม่พบหลวงพ่อได้ข่าวว่าท่านรับนิมนต์ไปข้างนอกแทบทุกวันจริงหรือเปล่าครับบางทีคนก็นิมนต์ไปในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเขาหมายถึงนายแพทสมเจตนา ที่หลอกนิมนท์ท่านไปเปิดป้ายสำนักโสเพนีต่อไปนี้ท่านบอกถ้าใครมานิมนท์ท่านจะต้องสอบถามก่อนว่างานอะไรและท่านก็จะพิจารณาว่าสมควรไปหรือไม่เพราะงานท่านมากขึ้นทุกวันแค่รับแขกอยู่ที่กุฏิก็รับไม่หวัดไม่ไหวนี่แหละเหตุผลที่ผมไม่มาตอนกลางวันก็เพราะไม่อยากรอคิวด้วยเลยเสี่ยงมาตอนกลางคืนคิดว่ายังไงยังไงก็ต้องพบท่าน ฤดูนี้เป็นฤดูเข้าพรรษาโอกาสที่ท่านจะไปค้างแรมที่อื่นก็ไม่มีนอกจักว่าจําเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เชิญข้างในดีกว่าครับเขาเชิญข้าพอดีและครอบครัวเพราะยืนคุยกันข้างนอกมานานเข้ามาแล้วชายหนุ่มจึงจัดการเปิดไฟภายในกุฏินําเครื่องดื่มร้อนมาบริการแขกเสร็จแล้วจึงขึ้นไปกราบเรียนท่านพระครูลงไปบอกเขาว่า อีกหนึ่งชั่วโมงฉันจะลงไปท่านเจ้าของกุฏิบอกเขาโดยไม่ละสายตาจากงานที่ทําประเดี๋ยวเขาจะไม่กลับดึกเกินไปหรือครับชายหนุ่มแสดงความห่วงใยดึกแน่ล่ะเธอเพราะฉันต้องการให้เขากลับหลังเที่ยงคืนไปแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับเพราะถ้าไปก่อนเที่ยงคืนจะต้องตายหมดทั้งครอบครัว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 นายสมชายรู้สึกแปลกใจโดยคิดว่าอย่างไรเสียก็จะต้องถูกซักถามชายหนุ่มไม่รู้ดอกว่าผู้เข้าถึงธรรมย่อมเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายเวลา23นาฬิกาท่านพระครูจึงลงรับแขกรอบดึกอันเป็นรอบที่ไม่มีในตารางโชคยังดีที่คนจัดตารางหลับปุ๋ยไปนานแล้วมิฉะนั้นก็คงมีเรื่องมีราว ให้ท่านเจ้าของกุฏิต้องรับรู้อีกกราบท่านพระครูแล้วหนุ่มต้อมจึงเอ่ยขึ้นว่าหลวงตาสบายดีหรือครับผมรู้สึกว่าหลวงตาสู้ไปคงจะงานหนักมากใช่ไหมครับแต่หลวงตาชินกับมันแล้วหลานนูชีวิตนี้หาความสุขสบายไม่ได้เลยหลวงตาเกิดมาใช้กรรมนะใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมด ภิกษุวัยห้าสิบเศษตอบแล้วอีกนานไหมครับถึงจะหมดหนุ่มต่อถามบ้างยังตอบไม่ได้หรอกหนูหลวงตาก็อยากจะใช้ให้มันหมดหมดแต่กรรมของหลวงตามีมากเลอกเกินทยอยกันมาให้ทดใช้อยู่เรื่อยเรื่อยเมื่อปลายเดือนกุมภาก็ใช้หนี้ที่ไปหักขานกหลวงตา เลยมีอันต้องตกบันไดขาหักไปไหนมาไหนไม่ได้อยู่เดือนเต็มเต็มช่วงนั้นก็มีอาจารย์จากเชียงใหม่มาใช้กรรมที่นี่เหมือนกันเพิ่งกลับไปก่อนเข้าพรรษาไม่กี่วันตอนนี้บวชเป็นพระอยู่ที่วัดกูคำท่านหมายถึงอาจารย์ชิดผู้ซึ่งเปลี่ยนใจขอกลับไปบวชอยู่วัดใกล้บ้าน หลังจากทราบว่าอีกสามปีพัญญาจะตายจากสนทนาปลาัยกันพอสมควรแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงถามจุดประสงค์ของการมาคหาบดีตอบว่าผมพักครอบครบัวมาทบุญครับคราวก่อนผมถวายปัจจัยแต่หลวงพ่อไม่ยอมรับเพราะเงินที่ได้มาไม่บริสุทธิ์แต่คราวนี้เรามีปัจจัยที่บริสุทธิ์มาถวายครับไปไดมาจากไหนหรอ ถามอย่างไม่ยินดียินร้ายตามวิสัยของสมณะถูกรางวัลที่หนึ่งครับนายต่อเขาซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดผมพอถูกเขาก็เสนอแนะว่าน่าจะถวายหลวงพ่อครึ่งหนึ่งคนอื่นๆพลอยเห็นดีเห็นงามไปด้วยผมจึงนํามาถวายหลวงพ่อสองแสนห้าหมื่นบาทครับมิได้ของนายต่อกราบเรียนท่านพระครูเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงนึกย้อนไปถึงเสียงที่ได้ยินในวันอธิษฐานจิต ช่วยในสมชายจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลาสิบห้าวันพอดีอาตมมาขออนุโมทนาในกุศ ล, ลจิตที่โยมและครอบครัวได้ร่วมใจกันมาบำเพ็ญบุญในครั้งนี้ว่าแต่ว่าเงินจำนวนนี้โยมระบุลงไปหรือเปล่าว่าจะให้อาตมานำไปใช้ทำอะไรไม่ได้ระบุค่ะ แล้วแต่หลวงพ่อจะนำไปใช้อะไรก็ได้พวกเราขอถวายเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของหลวงพ่อค่ะนางกิมเองกราบเรียนถ้าอย่างนั้นอาตมาก็จะขออนุญาตนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ในการอนุเคราะห์คนที่เขามีบุญคุณกับอาตมาเขากำลังต้องการเงินจำนวนห้าหม่นบาทส่วนที่เหลืออีกสองแสนอาตมา จะเก็บไว้เป็นกองทุนสร้างหอประชุมเพื่อให้ญาติโยมใช้เป็นที่ปฏิบัติกรรมฐานเคยมีเศรษฐีสี่คนเข้ามาพบกันที่นี่โดยบังเอิญและก็มีจุดประสงค์เดียวกันคือจะมาสร้างหอประชุมถวายวัดนี้เสร็จแล้วจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบเกิดเปลี่ยนใจไม่สร้างแล้ว ท่านหมายถึงเศรษฐีสี่คนที่ตั้งสมญาว่าจจตุระชัยแบบนี้ก็บาปสิครับหลวงตารับปากกับพระแล้วมากลับคำนุมติงว่าก็ไม่เชิงกลับคำหรอกนู้แต่มันมีเหตุปัจจัยอื่นมาทำให้เขาลืมอาจจะมัวยุ่งอยู่กับเรื่องธุรกิจการค้าท่านพระครูพูดปกป้องคนทั้งสี่ เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงสนทนาอยู่กับคหา บ, บดีและครอบครัวจนถึงเวลายี่สิบสีนาฬิกาจึงอนุญาตให้พวกเขากลับวันนี้ดึกหน่อยนะเอาละแล้วโยมก็จะรู้เองว่าเหตุใดอาตมาจึงหน่วงเหนียวโยมไว้ไม่ให้ไปก่อนเที่ยงคืนขหา บ, บดีและครอบครัวลุกออกไปแล้ว ท่านพระครูจึงมอบเงินให้ในายสมชายห้า0 0่นบาทตามสัญญาที่เคยให้ไว้ชายหนุ่มกราบท่านสามครั้งด้วยความซาบซึง้งอดไม่ได้ที่จะเปรียบเลยว่าหลานสะั้ยหลวงพ่อถูกรางวัลที่หนึ่งซื้อรองเท้ามาถวายแค่แปดสิบาทนี่เขาเป็นคนอื่นกับถวายตั้งครึง่งเขาหมายถึงตั้งครึ่งของห้าแ0นท่านพระครูจำต้องพูดปกป้องพัญญาของหลานชายว่า มันไม่เหมือนกันหรอกนะสมชายรายนั้นเขาจนแต่รายนี้เขามีเป็นร้อยๆ้อยล้านท่านไม่ได้พูดต่อถึงที่มาของเงินเหล่านั้นคนชั่วที่กลับตัวเป็นคนดีสมควรได้รับการสรรเสริญทว่าคนดีที่กลับกลายเป็นคนชั่วนี่สิหน้าตำหนินะ เมื่อคหาา บ, บดีขับรถพาครอบครัวมาถึงทางแยกเข้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็พบรถตำรวจทางหลวงเปิดไฟฉุกเฉินอยู่กลางถนนรถหลายคันต้องจอดรอนายต้อมอาสาลงไปสืบดูได้ความว่าเกิดอุบัติเหตรุรถเกง๋งชนกับรถบรรทุกคนที่อยู่ในรถเป็นผู้ชายสี่คนผู้หญิงหนึ่งคนพากันเสียชีวิตทั้งหมดคนทั้งห้า